www.fi.sf.rmutt.ac.th คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์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 osionfish. สาขาที่ 1. ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั Vatican favori. จวบปฏมพาธุมทานีและสาขาที่ 2. วิทยาลัยการแพท URE แพ้นไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั таких boni. ศูนย์ร่งสทป า, กทางศติทีเดิงสรู้รึกเถ่化素ร Finding Friend of the Via 差 2015. สดฏำเพิ่ม reproduce dismiss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 ขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ <around> you. อ, อาริงลิชเชลล์อยู่ออากาศทางสถานีวิทยุกระใจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญาบุรีด้วยระบบเอฟเอ็มความถี่แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ซคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉัชรนชลุกนาจินสีดิฉันพุทธนาสวัสดโยธิน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 มาปากนั่นผู้ฟังกันค่ะค่ะจะเป็นเรื่องของการใช้ so do I นะคะและ no do I ค่ะค่ะเวลาที่มีใครพูดอะไรมานะคะพูดอะไรกับเราก็ตามนะคะถ้าเราอยากจะบอกนะคะประมาณว่าฉันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะฉันก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงคำว่า me too นะคะก็คือฉันก็เหมือนกันนะคะอย่างคำว่า me too นะคะ ะะเพราะว่ามันพูดง่ายนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายค่ ะ, คะแต่ในการแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็อาจจะมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันไปนะคะคือมีการพูดได้หลายรูปแบบนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะดูกันนะคะเราจะต้องแยกก่อนนะคะระหว่างประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธค่ะว่า ประโยคทั้งสองชนิดนี้เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะคะเพราะการแสดงความเห็นด้วยนะคะการแสดงความเห็นด้วยของประโยคบอกเล่าและการแสดงความเห็นด้วยของประโยคปฏิเสธเนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะเช่นถ้าเพื่อนของเราเนี่ยบอกว่า I'm so hungry นะคะ I'm so hungry ก็คือฉันหิวมากมากเลยนะคะคือหิวจัดค่ะ และถ้าเกิดว่าตัวของเรานี้นะคะหิวเหมือนกันเราก็จะบอกกับเพื่อนไปว่ามีชิวนะคะมีชิวแต่ว่าถ้าเพื่อนเนี่ยบอกว่าอืมไอจุนโนฮิมนะคะไอจุนโนฮิมฉันไม่รู้จักเขาหรอกนะและตรงนี้นะคะสถานการณ์เนี่ยที่เราเนี่ยก็ไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นเหมือนกันนะคะเราจะต้องใช้การบอก การแสดงความคิดเห็นนะคะว่ามีนี่เซอร์มีนี่เซอร์เพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยพูดด้วยประโยคปฏิเสธนะคะ I don't know him นะคะ I don't know him ฉันไม่รู้นะคะเราก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันจะต้องใช้มีนี่เซอร์นะคะมีนี่เซอร์ซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะไม่มีการใช้มีทูนะคะเพราะมีทูจะเอาไว้ตอบรับในประโยคที่ ผู้พูดผู้คู่สนทนาของเราเนี่ยใช้เป็นประโยคบอกเล่าค่ะค่ะอย่างเช่นในประโยคบอกเล่านะคะถ้าเราเห็นด้วยหรือเราจะบอกว่าฉันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะเราก็จะใช้มีถึงนะคะในประโยคบอกเล่านะคะหรืออาจจะใช้ I do to นะคะหรืออีกอันหนึ่งก็คือ so do I นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามอันนี้นะคะเป็นการพูดเห็นด้วยในประโยคบอกเล่าได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นคู่สนทนานะคะของเราพูดมาในเชิงปฏิเสธนะคะเราจะต้องตอบรับนะคะแบบเห็นด้วยในการในเชิงปฏิเสธเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะมีสามรูปแบบการใช้นะคะก็คือมีนี่เธอเนี่ยค่ะมีนี่เธอหรือจะใช้ I don't eitherI don't either หรืออาจจะใช้ Nor do I นะคะ Nor do I ที่เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันต่อนะคะว่าโซดูไอกับโนดูไอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสำนวนนะคะที่สามารถนำไปใช้กันในหมวดหมู่ของการแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ สำหรับ no do I นะคะเราสามารถใช่ me do I เนี่ยแทนได้นะคะเพราะฉะนั้นกริยากริยาช่วยนะคะไม่จำเป็นต้องมี do เสมอไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคกันค่ะค่ะโครงสร้างนะคะที่มีความความหมายว่าเหมือนกันนะคะในประโยคบอกเล่านะคะเราจะใช้ so นะคะตามด้วยกริยาช่วยและตามด้วยประธานนั่นเองค่ะ คะโครงสร้างนะคะในประโยคปฏิเสธนะคะเราก็จะใช้ nor นะคะหรือ neither ก็ได้ค่ะ neither นะคะตามด้วยกริยาช่วยนะคะแล้วก็บวกด้วยประธานค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นในรูปของบทสนทนาค่ะถ้าเพื่อนของเรานะคะกล่าวมาว่า I can't drive I can't drive ฉันขับรถไม่เป็นน่ะ ทีนี้ตัวเรานะคะถ้าเกิดขับรถไม่เป็นเหมือนกันนะคะเราก็จะแสดงความคิดเห็นนะคะคล้อยตามในเชิงปฏิเสธเช่นกันค่ะก็จะพูดว่า no can I no can I ตามโครงสร้างประโยคเลยนะคะก็คือ no ตามด้วยกริยาช่วยนะคะและตามด้วยประธานค่ะซึ่งตรงนี้กริยาช่วยนะคะ no can I เราใช้ can ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อนของเราเนี่ยคนที่พูดก่อนนั้นเนี่ยเขาใช้เวอร์ฟหรือว่ากลิยาช่วย can นั่นเองค่ะคือเขาพูดว่า I can't drive เราจึงต้องตอบรับนะคะด้วยเวอร์ฟด้วยกลิยาช่วยเดียวกันหนึ่งกับคู่สังทนาของเราค่ะคือใช้ can เป็น nor can I นั่นเองค่ะ ค่ะประโยคตัวอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นการพูดว่าเห็นด้วยนะคะซึ่งเป็นในประโยคบอกเล่านะคะเห็นด้วยในประโยคบอกเล่านะคะจะเป็นบทสนทนาขึ้นมานะคะเอก็จะพูดขึ้นมาว่า I'm so happy today I'm so happy today ก็คือวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยนะคะ บี B เนี่ยก็จะเห็นด้วยในประโยคบอกเล่าเหมือนกันนะคะคือตอบกลับไปว่า so am I นะคะฉันก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็มีความสุขเหมือนกันนะคะในที่นี้นะคะคนที่พูดคนแรกเนี่ยนะคะใช้ I am นะคะ am so happy พวก น, นี้เนี่ยใช้กริยาช่วยเนี่ยก็คือ verb to be นั่นเองนะคะ am เพราะฉะนั้นเนี่ยคนตอบกลับนะคะก็ต้องตอบกลับนะคะโดยใช้กริยาช่วยเหมือนกันนะคะก็เลยตอบกลับมาโดยใช้คำว่าประโยคว่า so am I ค่ะ ประทานนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไอเสมอไปนะคะจะเป็นคนอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ Zara understands Spanish Zara understands Spanish แปลว่า Zara เนี่ยพูดภาษา Spain ได้นะคะทีนี้ถ้าคู่สนธนานะคะก็อาจตอบรับว่า So does her husband So does her husband หมายถึงสามีของซาร่าเนี่ยก็พูดได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้ประธาน I ค่ะแต่เป็น her husband คือระบุให้รู้ว่าสามีของหล่อนเนี่ยพูดได้เช่นเดียวกันนะคะ verb ช่วยนะคะหรือกริยาช่วยตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ does นะคะเพราะว่า คู่สนธนาของเราเนี่ยเขาใช้เป็นประทานเอกพธนะคะบุรุษที่3ก็คือ He, He, She, It นะคะหรือจะเป็นชื่อของคนคนเดียวนะคะเราก็เลยใช้คู่กับกริยาช่วย Das นั่นเองค่ะก็จะได้โครงสร้างนะคะในเชิงบอกรับนะคะเชิงตอบรับเป็นประโยคบอกเล่านะคะ Sara understand Spanish เนี่ยอันนี้คือบอกเล่า เราก็จะตอบรับเป็น so นะคะตามด้วยกริยาช่วยนะคะเราก็ตามด้วยประธานนั่นเอง ค, ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ฟังนะคะเบื่อการใช้ meet you นะคะฉันก็ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็น so do I นะคะหรือฉันก็ไม่เหมือนกัน no do I ก็ได้นะคะก็ลองเปลี่ยนดูนะคะ และสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.phasaangrid.com slash so do i nor do i ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพักฟังเพลงพอ่พอๆต่อ ส, องสถานี้แล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามฟังกันแน่นะคะ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 on สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University กลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการ English Radio U อีกแล้วนะคะทางคลื่น FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตส์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต วันนี้นะคะรายการของเรานะคะนำนะคะประโยคนะคะแล้วก็คำศรรพัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เกี่ยวข้องกับร้านตัดผมค่ะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะค่ะเราจะนำนะคะคำศัพท์แล้วก็คำนวณ น, นะคะที่มักจะเจอกันบ่อยนะคะเวลาที่เราไปตัดผมหรือทำสีผมที่ร้านนั่นเองค่ะ มาดูประโยคแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะคะเรามาบอกเขาว่าเราเต้องการอยากจะตัดผมนะคะหรืออาจจะมีฝรั่งนะคะหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยมาที่ประเทศเรานะคะแล้วก็พูดกับเราว่าอยากจะตัดผมเนี่ยนะคะเขาจะพูดกับเราว่าอย่างไรนะคะเรามาดูนะคะประโยคแรกนะคะฉันต้องการตัดผมค่ะเราก็จะใช้ประโยคว่า I like a hair cut please I like a hair cut please นะคะ ก็คือฉันเนี่ยต้องการจะตัดผมแต่เราพูดสุภาพนะคะโดยใช้ I would like นะคะแต่เราอาจจะพูดยอ่อเหลือเป็น I like a hair cut please ค่ะที่ลูกค้านะคะเขาอาจจะต้องการทราบนะคะว่าตัวเขาเนี่ยต้องจองคิวไว้ก่อนไหมเขาก็จะถามเรานะคะว่า Do I need to book Do I need to book ตรงนี้นะคะ book นะคะมีความหมายว่าจองนั่นเองค่ะ B O O K นะคะ Do I need to book ก็คือผมต้องจองก่อนไหมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็อาจจะถามเขาว่าเออคุณเนี่ยจะให้บริการชั้นได้ตอนนี้เลยไหมจะตัดผมให้ชั้นได้ตอนนี้เลยไหมหรือจะทำสีผมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็จะใช้ประโยคว่า Are you able to see me now เรา U able to see me เนาะก็คือคุณจะให้บริการฉันได้ตอนนี้เลยไหมค่ะทีนี้ถ้าเรานะคะอยากจะถามลูกค้านะคะว่าต้องการที่จะนัดเลยหรือเปล่านะคะเราก็จะถามด้วยสำนวนที่สุภาพนะคะขึ้นต้นด้วย Would Would นะคะ W O U L G นะคะก็จะได้ประโยคนะคะว่า Would you like นะคะ Would you like to make an appointment อีกหนึ่งครั้งนะคะ Would you like to make an appointment? I will ะะะะนนนะะ make an appointment. I will make a น appointment. I make an appointment. I w i l make an appointment. หมายถึงนัดนั่นเองค่ะค่ะเร l l make an appointment. I will make an appointment. I will make an appointment. I will make an appointment. I will make an w o Would you like me to watch it? Would you like me to wash it? นะคะก็คือต้องการให้ฉันเนี่ยสระผมให้ไหมนะคะค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะทราบความประสงค์ของลูกค้านะคะว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรกับสีสระเขานะคะเราก็จะถามเขาว่า What would you like? What would you like? นะคะหมายถึงคุณต้องการที่จะทำอะไรคะ่ะอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์คำถามแบบสุภาพนั่นเองค่ะค่ะ หรือชาวต่างชาตินะคะอาจจะถามแล้วว่านะคะห ร, หรือเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นผู้ที่เข้าไปใช้บริการเองนะคะฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะถามแล้วว่าต้องการให้ตัดอย่างไรนะคะหรือเราก็หรือเราเนี่ยถ้าเป็นเราเป็นช่างตัดผมเองเราก็อาจจะถามถามชาวต่างชาติไปว่าต้องการจะให้ตัดอย่างไรนะคะเราก็ใช้ประโยค ว, ว่า how would you like me to cut it how would you like me to cut it ก็คือต้องการให้ตัดอย่างไรทรงไหนแบบนี้นะคะ ค่ะและถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะตอบกลับมาว่า I believe it to you I believe it to you ตรงนี้นะคะหมายถึงแล้วแต่คุณเลยแล้วกันครับค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการนะคะบอกอยากจะให้ช่างทำผมเนี่ยทำนั่นทำนี่ให้เรานะคะเราก็จะใช้ประโยคนะคะว่า I like นะคะ I like นะคะมาจากรูปเต็มก็คือ I would like นะคะอย่างเช่น I like a trim Like like a trim นะคะ T R I M แปลว่าฉันเนี่ยต้องการให้เล็มปลายผมค่ะคำว่า a trim ค่ะค่ะถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยากจะได้ทรงผมใหม่นะคะเขาก็จะบอกว่า I like a new style I like a new style หมายถึงฉันต้องการทรงผมทรงใหม่คะ่ะค่ะต่อมานะคะ เ, เราอาจจะบอกว่าฉันเนี่ยต้องการอยากจะดัดผม ะะเราก็จะบอกว่านะคะ I like a perm I like a perm นะคะ P E R M แปลว่าฉันเนี่ยต้องการจะดัดผมค่ะค่ะถ้าอยากทำผมหน้าม้านะคะจะพูดว่า I like a fringe นะคะ I like a fringe ค่ะเราบอกว่าอยากทำไฮไลท์ผมนะคะก็จะใช้ประโยค I like เหมือนเดิมมาจาก I would like นะคะ I like some highlights I like some highlights นะคะก็คืออยากทำไฮไลท์นั่นเองค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอาจจะพูดสั้นๆ น, นะคะ it color นะคะ it color หมายถึงทำสีผมค่ะ color ตรงนี้นะคะเราเติม eddy ค่ะค่ะหรืออาจจะบอกว่าแค่เล็มปลายผมนะคะถ้าแค่เล็มนะคะอาจจะใช้ว่า just a trim please just a trim please บางทีนะคะช่างทำผมเนี่ยเขาอาจจะอยากทราบความยาวความสั้นนะคะว่าออลูกค้าเนี่ยต้องการให้ไว้ผมสั้นแค่ไหนนะคะเขาก็จะถามนะคะว่า how short would you like it how short would you like it นะคะหมายถึงคุณต้องการให้สั้นแค่ไหนคะ่ะแค่ไหนนะคะเราใช้ how นะคะเราก็ตามด้วย short ได้เลยนะคะ how short how long เราก็ตามด้วยประโยคสุภาพนะคะวูดอ、like、ิลไลเกตก็คือต้องการนั่นเองค่ะค่ะถ้าไม่สั้นมากเขาอาจจะบอกเพราะว่า not too short not too short ก็คือเอาไม่สั้นมากค่ะค่ะถ้าอยากได้แบบว่าค่อนข้างสั้นนะคะตอบไปเลยค่ะ quite short นะคะ quite short ค่ะหรืออาจจะเป็น very short ก็ได้ก็คือสั้นมากเลยขอแบบสั้นมากค่ะถ้าต้องการบอกว่าซอยออกให้หมดเลยนะเราก็จะบอกว่า completely shaven Completely Sheffin ค, คุณแสกผมไหมนะคะเขาอาจจะถามแล้วว่า Do you have a past things? Do you have a past things? ซึ่งคือคุณจะแสกผมไหมคะถ้าบอกว่าเสมอกันด้านหลังนะคะเสมอกันด้านหลังก็คือ Square at the back please Square at the back please ค่ะต่อมานะคะคุณต้องการทำสีอะไรนะคะ What color would you like? What color would you like ก็คืออยากจะทำสีผมอะไรค่ะถ้าเกิดอยากจะทราบความต้องการนะคะว่าอยากจะใช้สีอะไรในการทำผมนะคะจะถามว่า Which of these colors would you like Which of these colors would you like หมายถึงคุณชอบสีไหนคะ่ะตรงนี้นะคะเราจะมี Color นะคะหรือว่าสีมาให้เลือกนะคะหลายๆสีก็คือ these colors เติมเอสได้นะคะ การเลือกนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราจะใช้ประโยคคำถามว่า which นะคะ which w h i c h นะคะ which which of these colors would you like คุณชอบสีไหนคะ่ะค่ะต่อมานะคะถ้าเขาถามว่าคุณต้องการจะเป่าผมไหมนะคะคุณต้องการจะเป่าผมไหมเราก็จะใช้ประโยคว่า would you like it blow dried You like it blow dry it. นั่นก็คือคุณเนี่ยต้องการจะเป่าผมหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดเราต้องการให้ร้านนะคะช่วยเล็มคราวให้หน่อยนะคะเราก็จะใช้ประโยคขอลร้องแบบสุภาพนะคะขึ้นต้นด้วย Could you นั่นเองค่ะ Could you คือขอให้เขาทำให้นะคะตรงนี้ขอให้เล็มคราวนะคะก็จะพูดว่า Could you trim my beard please นะคะ Could you trim my beard please นะคะหมายถึงคุณช่วยเล็มเคราวให้หน่อยได้ไหมครับค่ะคุณต้องการนะคะทำอะไรเพิ่มไหมนะคะคุณต้องการจะทำอะไรเพิ่มไหมก็ใช้ประโยค ว, ว่า Would you like anything on it Would you like anything on it ค่ะถ้าเกิดต้องการบอกนะคะช่วยเลมหนวดให้ผมหน่อยครับนะคะแล้วก็จะบอกว่า Could you trim my moustache please นะคะ Could you trim my moustache please ค่ะเมื่อรับบริการเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะนะคะพูดกับกับช่างนะคะว่า That's fine thanks นะคะ That's fine thanks ก็คือเออเนี่ยทำแค่นี้แหละดีแล้วขอบคุณมาก ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก worldwideweb.tonamond.com slash englishconversation แถกคัดค่ะค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการ English Around You ได้ใหม่ในวันพุทธหน้าช่วงเวลาตีเสียงตี4ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจัยเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมองคนทัญญาบ